คนที่มาช่วยแจกต้นพับ ป, ป่านี้ก็มากันด้วยใจจริงๆมาด้วยความศรัทธาผู้ร่วมงานหลักๆจากโรงพยาบาลจุฬาก็มีแดงกับราณีรู้สึกสองคนนี้จะมาประจำและที่มาจากสิริราชก็มีสายฝนบังอเล็กและอีกหลายคนกลุ่มอื่นๆเขาจะตามมาแต่โอกาสอำนวยของตัวเขามาได้ยาวบ้างสั้นบ้างไปไปมามาแล้วแต่ว่าจะลางานได้แค่ไหนแต่กลุ่มที่กล่าวมา 4- ห้าคน และน้องพันตำรวจตรีหญิงที่ตอนนั้นเขาเป็นร้อยตำรวจชื่อสีสมร อ, อยู่โรงพยาบาลตำรวจก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ทุ่มเทช่วยกันอย่างเอาจริงเอาจังเงินทุนที่เราใช้สําหรับการเดินทางก็กลุ่มนี้แหละที่ช่วยกันหาได้มาก็เอามารวมกันเป็นหลักร้อยบ้างหลักพันบ้างแล้วให้คุณปราณีเป็นคนเก็บเพื่อเอามาใช้จ่ายร่วมกันใช้เติมน้ํามันบ้างเป็นค่าอาหารบ้างเราไม่มีทุนทํากันแบบไม่มีทุนจริงๆและก็ไม่เคยไปรบกวนใครด้วย ปาณิธานทำงานถวายหลวงตาไม่ใช่ทำงานให้คณะใดาโดยเฉพาะเวลามีคนเอาเงินมาให้ผมก็ต้องดูว่าสมควรจะรับไหมผู้ให้มีเจตนาบริสุทธิ์และเข้าใจในโครงการช่วยชาติของหลวงตาดีแค่ไหนไม่ใช่ว่าจะต้องรับหมดแม้แต่เจ้าของงานที่ขอให้ผมไปช่วยเวลาที่เขามานิมนต์หลวงตาไปแสดงธรรมและรับพระ ป, ป่าก็เช่นกัน พวกเขาจะเอาเงินมาให้ซึ่งผมก็จะบอกว่าผมมีเงินอยู่แล้วขอไม่รับเหตุผลของผมก็คือหากผมรับเงินของพวกเขาก็ต้องเกิดพันธะผูกพันกับงานในสถานที่นั้นถ้าหากเขาดึงผมให้อยู่ช่วยงานจนเสร็จงานและพวกผมจะเอาเวลาที่ไหนไปช่วยที่อื่นงานมีอยู่หลายที่มีงานตั้งหลายอย่างที่ต้องไปช่วยกันทําเราจึงไม่อยากรับเงินใคร อย่างพี่แอลบังกอกออคิดที่ส่งกล้วยไม้ออกนอกเขานิมนต์หลวงตาไว้ผมไปวันแรกก็ได้เงินใส่ซองมาผมรีบบอกไม่เอาผมมีใช้อยู่ไม่เป็นไรแล้วหมู่คณะเขาถือศีลแปกันหลายคนไม่ได้ใช้ใจ่ายอะไรหรอกจริงๆแล้วผมไม่มีเงินผมต้องขอน้ำมันรถจากบ้านตาใส่รถไปแต่ด้วยเจตนาและศรัทธาของพวกเราที่จะทำงานถวายหลวงตาให้บริสุทธิ์ที่สุดแม้จะได้สตางมาเราก็รับไม่ได้เดีย๋ยวจะยุ่งหลายเรื่อง แต่พี่แอลบอกในวันนั้นลูกน้องพี่เขาจะติดรถเฮียไปด้วยเฮียโฮเอาไว้หน่อยแล้วกันแล้วก็ให้ผมมา 1,000 พบาทผมก็ยอมรับมาคือมีเหตุผลเพื่อไว้เลี้ยงลูกน้องของเขาตอนกลางวันอย่างเนี้ยผมก็รับไว้ได้พอมาวันที่สองพี่เขาก็จะให้เงินผมอีกผมบอกเงินที่ให้ผมมาเมื่อวานยังมีอยู่ผมไม่เอาแล้วพอแล้วขอบคุณมากและผมก็ไม่รับจริงๆ ทั้งๆ ท, ที่ใจผมอยากจะรับจะแย่ก็เราไม่มีเงินทุนนี่ครับแต่สำนึกลึกๆในหัวใจมันบอกว่าเรารับไม่ได้เราต้องไม่สร้างพันธะผูกพันตัวเราและหมู่คณะของเรากับใครเป็นพิเศษเรากำลังทำงานเพื่อหลวงตาไม่ใช่เพื่อใครคนใดคนหนึ่งฉะนั้นพอแจกต้นพะป่าที่นั่นเสร็จในวันที่สองพวกผมก็กลับเราต้องไปช่วยที่อื่นที่อื่ น, นต่อ พูดถึงเรื่องการแจกต้นพับ ป, ป่าแต่บเจ้าของบางกอก อ, อคิดก็ไปแจกกับผมที่เขาอยากออกไปแจกต้นพับ ป, ป่าด้วยก็เพราะว่ามีอยู่คืนหนึ่งหลวงตาท่านเทศที่สาลากลางน้ำอันนี้เขาพูดให้ผมฟังผมไม่ได้ยินกับหูท่านบอกว่าฟังให้ดีนะคนที่ไปช่วยเราแจกต้นพับ ป, ป่าเนี่ยพวกนี้เขาจะได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีกันทุกคนทุกชาติจนกว่าจะได้มาขนนิพพานเช้าขึ้นมา พี่แป๊บจึงมาบอกเฮียโฮพี่ไปด้วยตอนไปแกก็อุ้มหมาไปด้วยตัวหนึ่งแล้วลูกน้องก็กางร่มให้ถือต้นพะป่าไปแจกได้สามบ้านพอดวนเขาไล่ออกมาพิ่แป๊บกลับเลยนี่แหละมันยากอย่างนี้ไม่ใช่คิดจะทำและจะทำกันได้ง่ายๆ